เรือนที่มุงเรียบร้อยฝนย่อมไหล ย, ย้อยเข้าไม่ได้ใจที่อบรมเป็นอย่างดีราคะไม่มีวันเข้าครอบงังพุทธะวัจนะ ธรรมชาติของชีวิตมีอยู่ธรรมชาติหนึ่งก็คือพัฒนาได้ชีวิตเนี่ยนอกจากจะมีธรรมชาติที่สดชื่นแล้วก็ยังพัฒนาได้ด้วยชีวิตเราเนี่ก็มีกายกับอิดการพัฒนาชีวิตก็คือการพัฒนากายพัฒนาอิดควบคู่กันไปเรื่องร่างกายเนี่ยเราก็พัฒนากันอยู่แล้วโดยการ รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะการออกกำลังกายการพักผ่อนการอยู่ในสถานที่อากาศบริสุทธิ์และก็ปลอดโปร่งรวมถึงเรื่องการขับถ่ายชะละปัสสวะเป็นปกติอันนี้คือเรื่องของกายง่ายๆแต่ว่าการพัฒนาด้านจิตใจนั้นเราจะต้อง รักษาจิตใจให้เป็นปกติจิต ท, ที่เป็นปกติเป็นจิต ท, ที่มีสุขภาพดีที่สุดเลยมีสติควบคุมเรื่องอารมณ์ที่เข้ามากระทบทางตาทางหูเป็นต้นแล้วก็ลงมาสู่ใจเราต้องควบคุมอารมณ์ไว้ให้เป็นปกติเรื่องอารมณ์เนี่ยสำคัญมากนะ ขึอยู่กับวิธีคิดด้วยถ้าเราคิดดีจิตเราก็มีความสุก็ปล่อยให้ร่างกายเนี่ยมีความสบายไปด้วยแต่ถ้าเราคิดไม่ดีจิตเราก็เสียจิตเราก็มีความทุกข์มีความเศร้าหมองร่างกายก็พลอยที่จะเป็นทุกข์เศร้าหมองไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตนี่สำคัญจิตเป็นนาย กายเป็นเรือนะสติเป็นทางเสือปัญญาเป็นคนพายถ้าพาจิตไปดีแล้วแล้วชีวิตเราก็ดีเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับวิธีคิดเนี่ยสำคัญมากดูซิว่าเราใช้วิธีคิดแบบไหนกิเลสคิดหรือสติคิดถ้ากิเลสคิดแล้วก็เราคิดไปทางความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น ทำให้จิตใจต้องเหน็ดเหนื่อยนี่เรียกว่าจิตมีโลภะมีความโลภเข้าครอบงำจิตเหน็ดเหนื่อยหรือบางทีเราคิดไปทางความไม่พอใจความหงุดหงิดรำคาญใจอาฆาตพยาบาทอิจฉาลิษยาเนี่ยเป็นไฟโทสะน่ยทำให้จิตต้องเร้าร้อนกระวนกระวายใจ จิตไม่ดีเป็นเพราะว่าโมหะคือความหลงความหลงขาดสติจึงปล่อยให้ความคิดโลภ บ, บ้างคิดโกรธบ้างเข้ามาครอบงำจิตอันนี้คือคิดด้วยกิเลสถ้ากิเลสปรุงแต่งจิตแล้วก็คิดไม่เลิกนอนไม่หลับคิดข้ามวันข้ามคืนทำให้จิตใจนิ่หนักอึง้ง อวสีสะมืนศีสะเกิดความเครียดในจิตใจเป็นทุกข์เพราะกิเลสคิดแต่ถ้าสติคิดเนี่ยคิดด้วยธรรมะสติคือธรมรมะฝ่ายกุศลสสติคิดเมื่อไหร่แล้วก็มันจะมีความคิดที่เบามีธรรมะเข้าประกอบจะไม่ประกอบด้วยการโลภคือคิดที่จะออกจากความโลภออกจากกามออกจาก ความพยาบาทออกจากความเบียดเบียนเรียกว่าดาริชอบสามมาสังกปะคือดําริชอบดําริออกจากพยาบาทออกจากการเบียดเบียนคิดด้วยสติเนี่ยจะไม่เป็นไปเพื่อความโลภเพื่อความโกรธเพื่อความหลงจิตใจจะเบาสบายคิดแล้วเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่สิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน และมีแต่การปล่อยวางปล่อยวางหรือแต่หน้าที่ที่ทำไปอันนี้คือการคิดด้วยสติจิตจะเบาสบายจบง่ายคิดไม่ยาวจิตจะไม่เครียดจะถอนความยึดติดยึดมั่นไปได้จะมีความสุขเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยบางทีจะมีความสุขความทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดเหมือนกันนะถ้าคิดเลยคิดแล้วก็มันก็พาเราไปทุกข์ ถ้าสติคิดก็พาไปมีความสุขต้องระวังให้ดีเวลาเกิดความคิดปรุงแต่งติดขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมตั้งสติรู้ซะ ก, ก่อนว่ามันคิดไปทางไหนถ้ามันคิดไปในทางที่พาไปหลงลืมสติหรือพาไปโล่ไปปวดไปหลงระวังให้ดีนะมันจะมีเสน่ห์มันจะคิดยาวเลยนะเพราะเราก็เคยคิดมาก่อนถ้าคิดเรื่องกิเลสมันจะยาวแล้วก็จบได้ยากต้องระวังให้ดีถ้าความคิด รุดจิตเราเนี่ยมันเริ่มลงไปในรอยนี่ล้วก็ต้องระวังให้ดีอย่าให้อาหารก็รีบมีสติดึงจิตดึงใจกลับคืนมาอย่าให้ความคิดมันพาจิตไปเที่ยวไกลกลับขึ้นมากลับขึ้นมาสู่กายสู่ความรู้สึกตัวถ้าเราไม่พยายามที่จะฝึกจิตให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยจิตมันจะชินนะมันจะเคยชินที่จะลงไปกับกิเลสแล้ะจะนี่กลับยากพยายามดึงกลับ รู้สึกตัวไว้แค่รู้ว่ามันคิดปรุงแต่งไปกับกิเลสแล้วก็จิตเรากลับคืนมาแล้วต้องระวังให้ดีถ้าคิดด้วยสติเราจะรู้ว่าจิตมันจะเบาสบายคิดด้วยสติบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะจําสติได้ไม่อยากจะไปกับกิเลสเพราะฉะนั้นชีวิตแต่ละวันเนี่ยเราต้องคอยสังเกตดูนะตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้นี่เรามีความสุขมากหรือมีความทุกข์มากถ้าเรามีความทุกข์มาก ความสุขน้อยเราก็เราขาดทุนถ้าเรามีความสุขมากทุกน้อยเราได้กําไรแนละ้วนี่เป็นกําไรชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินมาทางที่จิตมีความทุกข์มากเราก็ต้องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจสมัยมาถึงตรงนี้เราก็ต้องรู้จักเกษียณเราต้องเกษียณจิตใจใออกจากความทุกข์ซะบ้างต้องตั้งอธิษฐานใหม่อธิษฐานใหม่ว่าตั้งแต่ น, นี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทุกข์อีกแล้วลาออกจากความทุกข์ไปเลย กเกษียณแบบลาออกจากความทุกข์ไปเลยมาอยู่กับสติมาอยู่กับการปฏิบัติธรรมมาทําจะให้มีความสุขตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะมีกําไรชีวิตชีวิตเราจะมีแต่ ก, กําไรไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังมีความทุกข์อยู่ก็ไม่เป็นไรเราต้องสํารวจดูซิว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรในชีวิตหาข้อผิดพลาดแล้วก็แก้ไขซะ อันนี้คือเรื่องความทุกข์แต่ถ้าอยากให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ต้องปฏิบททัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่พระธองค์ตัง้งตัดเลยว่าผู้ใดประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมมีความสุขเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปรอเวลาไม่ต้องไปรอโอกาสไม่ต้องรอสถานที่ทําได้ทันทีเลยเพียงแต่ ว, ว่าเรามีสติ รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาทุกเวลานาทีกายมันเคลื่อนไวหวทำอะไรก็ให้มีสติรู้ตามจะนอนจะนั่งจะยืนจะเดินก็ให้รู้กายเอาไว้หรือเวลาจิตมันคิดให้มีสติรู้ด้วยจิตมันคิดโลภเราก็รู้มันคิดโกรธเราก็รู้มันเผลอสติเราก็รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับกายกับจิตเรา ให้มีสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาทำเพียงแค่นี้ในแต่ละวั น, นจิตใจเราก็จะไม่ร้อนรุ่มกลุ่มอูลาความวุ่นวายในจิตใจก็จะหายไปทุกใจก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราต้องดาเนินชีวิตด้วยการมีสติอยู่เนืองๆทุกเวลานาที ด้วยความขยันแล้วก็ด้วยความอดทนมีเวลาว่างแล้วก็นั่งสร้างจังหวะเจริญสติดูลมให้ใจเดินจงกรมในรูปแบบต่างๆฝึกให้ชำนาญแล้วก็นำมาใช้กับทีประจำวันอย่างรู้สึกตัวเราก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตจากการอยู่ร้อนนอนทุกมาเป็นอยู่เย็นเป็นสุขด้วยการปฏิบัติธรรม